59คสิเกาคำอิกาทินิสยวัตถุว่าด้วยการถือนิสัยของภิกษุผู้เดินทางเป็นต้นเรื่องภิกษุผู้เดินทางไกลไม่ต้องถือนิสัยข้อหนึสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปในแคว้นโกศลเธอมีความดำรีว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะอยู่โดยไม่ถือนิสัยไม่ได้ ก็เราจำต้องถือนิสัยแต่ต้องเดินทางไกลเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนาภิกษุทั้งหลายจึงกลาบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เดินทางไกลเมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยให้อยู่โดยไม่ต้องถือนิสัย